มักเป็นเหตุความสงบเป็นผลศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสิ่งทั้งสามประการ น, นี้ท่านเรียกว่ามักอันมักนี้ยังไม่ใช่ศาสนาอีกซ้ำยังไม่ใช่สิ่งที่พระศาสดาต้องการอย่างแท้จริงเลยแต่ก็เป็นหนทางที่จะดาเนินเข้าไปเหมือนกับที่ท่านมหามาจากกรุงเทพ จะมาวัดหนองป่าพงท่านมหาคงไม่ต้องการหุนทางต้องการถึงวัดต่างหากแต่หุนทางเป็นสิ่งจำเป็นแก่ท่านมหาที่จะต้องมาฉะนั้นถนนที่ท่านมหามานั้นมันไม่ใช่วัดมันเป็นเพียงถนนมาวัดเท่านั้นแต่ก็จำเป็นต้องมาตามถนนจึงจะมาถึงวัดได้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี ถ้าจะพูดว่านอกศาสนาแต่ก็เป็นถนนเข้าไปถึงศาสนาเมื่อทำศีลให้ยิ่งสมาธิให้ยิ่งปัญญาให้ยิ่งแล้วผลคือความสงบเกิดขึ้นมานั่นเป็นจุดที่ต้องการเมื่อสงบแล้วถึงได้ยินเสียงก็ไม่มีอะไรเมื่อถึงความสงบอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำฉะนั้นพระศาสดาจึงให้ละ จะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นปัจจตังแล้วจริงๆไม่ได้เชื่อใครอีกหลักของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีอะไรไม่มีฤทธิ์ไม่มีปาฏิหาริย์อย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญแต่มันก็อาจทำได้เป็นได้สิ่งเหล่านี้เป็นโมหะธรรมพระศาสดาไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญผู้ที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้เท่านั้น ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติอุปกรณ์เครื่องปฏิบัตินั้นได้แก่ทานศีล ส, สมาธิปัญญาจะต้องฝึกหัดอย่างนี้อันนี้คือทางดาเนินเข้าไปก่อนจะถึงได้ต้องมีปัญญามาก่อนนี้เป็นมัคมัคมีองค์8ปประการรวมแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ถ้ากิเลสหุ้มขึ้นมาก็เกิดไม่ได้ถ้ามักกล้าก็ฆ่ากิเลสถ้ากิเลสกล้าก็ฆ่ามักสองอย่างเท่านี้ที่จะต่อสู้กันไปตลอดจนปลายทางทีเดียวรบกันไปเรื่อยไม่มีหยุดไม่มีสิ้นสุด